ธรรมบทแปลเรื่องบุตรเศรษฐีชื่อเขมะกะภาคที่7เรื่องที่2 2 6ข้อก็ความเบื้องต้นพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงรารอ บ, บุตรเศรษฐีชื่อเขมะกะซึ่งเป็นหลานของอนาถบินทิกะเศรษฐี ระประธานรเทสนานีว่าชาตาริฐานานิเป็นต้นตอนเขมะกะเป็นนักเลงเจ้าชู้ถูกจับถึงสามครั้งดังได้สดับมานายเขมะกะนั้นเป็นผู้มีรูปงามโดยมากหญิงทั้งหลายเมื่อเห็นเขาแล้วทูกราคะครอบงำ ไม่สามารถจะดำรงอยู่ตามภาวะของตนได้แม้เขาก็เป็นผู้ยินดีอย่างยิ่งในกรรมคือการครบหาซึ่งภรรยาของผู้อื่นเหมือนกันต่อมาในเวลากลางคืนพวกราชบุรุษจับเขานำไปแสดงแด่พระราชาพระราชาไม่ได้ทรงตรัสอะไรกับเขาด้วยทรงดาบิว่า เรามีความละอายต่อมหาเศรษฐีดนี่นี้แล้วก็รับสั่งให้ปล่อยไปฝ้ายในายเขยมะกะนนั้นก็ไม่ได้งดเว้นเลยต่อมาอีกพวกราชบุรุษก็จับเขาแล้วแสดงต่อพระราชาถึงครั้งที่สองและครั้งที่สามพระราชาก็รับสั่งให้ปล่อยเช่นเคย มหาเศรษฐีทราบเรื่องนั้นแล้วพาเขาไปสำนักพระาศาสดากราบทูลเรื่องนั้นแล้วทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์ได้โปรดแสดงธรรมแก่นายเขมกานน้ตอนพระาศาสดาทรงแสดงโทษแห่งปรัารกรรมกรรมคือการครบหาซึ่งปรยาของบุน ก็เมื่อพระศาสดาได้ตรัสสังเวคกาถาแก่เขาแล้วเมื่อจะทรงแสดงโทษในการเสรพภรรยาของคนอื่นได้ส่งภาสิทธ์พระคาถาเหล่านี้ว่าจตาริฐานานินโรปะมมโตอาปัจชะตีประรตารูปะเสวีอะพุญญลาพัง นิกามะไส ย, ยังนินทังตติยังนิระยังจะตุถังอะปุญญาลาโภจะคะตีจะปาปีกาพีตัะพีตายะระตีจะโทกิการาชาจะทันทังขรุกังปะเนติตาสมานาโรประรารังนะสศเว แปลว่านระผู้ประมาทชอบเสพภรรยาของคนอื่นย่อมถึงฐานะสี่อย่างคือการได้สิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นที่หนึ่งการนอนไม่ได้ตามความปรารถนาเป็นที่สองการนินทาเป็นที่สามนรกเป็นที่สี่การได้สิ่งไม่ใช่บุญอย่างหนึ่ง คติลามกอย่างหนึ่งความยินดีของผู้กลัวกับด้วยหญิงผู้กลัวมีประมาณน้อยอย่างหนึ่งพระราชาย่อมลงอาทยาอันหนักอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นนระรไม่ควรเสพภรรยาของคนอื่นตอนแกะในบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าฐานานี้ได้แก่เหตุแห่งทุกทั้งหลาย บทว่าปะมะัโตได้แก่ประกอบด้วยการปล่อยสติบทว่าอาปัจติตคือย่อมถึงบทว่าปะระทารูปะเสวีหมายความว่าการเข้าไปเสพภริยาของคนอื่นอยู่ชื่อว่ามักประพตินอกทางบทว่าอปุญญาลาพังได้แก่การได้ อกุสนบทว่านะนี้กามะเสยยังหมายความว่าบุคคลนั้นไม่ได้การนอนอย่างที่ตนปรารถนาย่อมได้การนอนตลอดการนิดหน่อยเท่านั้นซึ่งตนไม่ปรารถนาบทว่าอปุญญลาโภจะหมายความว่าการได้สิ่งอันไม่เป็นบุญนี้อย่างหนึ่งกติอันลาโมก กล่าวคือนรกเพราะสิ่งอันไม่เป็นบุญนั้นเป็นเหตุอย่างหนึ่งย่อมมีแก่บุคคล น, นั้นอย่างนี้สองบทว่ารตีจะโทกีกาหมายความว่าแม้ความยินดีของบุรุษผู้กลัวนั้นกับหญิงผู้กลัวมีประมาณน้อยคือมีนิดหน่อยบทว่าคารุ ก, กังหมายความว่า หนึงพระราชาย่อมลงอาจยาอย่างหนักด้วยสามารถแห่งการตัดมือเป็นต้นบทว่าตัดสมาหมายความว่าบุคคลผู้เสพภรยาคนอื่นย่อมถึงฐานะทั้งหลายมีสิ่งมิใช่บุญเป็นต้นเหล่านั้นเพราะฉะนั้นนะจึงไม่ควรเสพภรยาของคนอื่นในการจบเทสนา นายเกมะกะดำรงอยู่ในโซดาปฏิผลแล้วตั้งแต่นั้นมามหาชนยังการให้ผ่านไปยังสบายตอนบุรพกรรมของนายเกมะกะถามว่าก็บุรพกรรมของนายเกมะกะนั้นเป็นอย่างไรแกว่าดังได้สดับมาในสมัยของพระพุทธเจ้า ระนาว่ากัสปะเขาเป็นนักมวยที่เก่งที่สุดยกธงทองสองแผ่นขึ้นไว้ที่สถูปทองคำของพระทศพลแล้วตั้งความปรารถนาไว้ว่าเวนหญิงที่เป็นญาติสายโลหิตเสียหญิงที่เหลือเห็นเราแล้วจงกำหนักดังนี้นี่เป็นบุรพกรรมของเขาด้วยประการะนี เพราะเหตุ น, นั้นยิงของคนเหล่าอื่นเห็นเขาในที่เขาเกิดแล้วจึงไม่สามารถเพื่อจะดำรงอยู่ตามภาวะของตนได้นั่นนี้แหละเรื่องบุตรของเศรษฐีชื่อเขมะกะ